ขอบับนอนต่อพระณาฏไรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นจรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตต่อให้ความเคารพมายัางพระกรมผู้เป็นประธ า, น, าอนอาจารย์ยุกเกออาจารย์นงวิทย์แล้วก็เพื่อนสากธรรมิกที่เคารพทุกๆครู เจริญพรเจริญธรรมมายังเป็นแม่ชีแม่ธรรมวาสกวาสิกาทุกท่านเช้านี้เป็นเช้วเาวันเสาร์ปกติท่านจะไป่สานท่านก็จะมาที่นี่เมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วท่านก็บอกฝากไว้ ให้เช้าเช้าอาจารย์นชัยเพลศแล้วก็เห็นวันศุกร์ใหอาจารย์สมศินในพุทธรรมะท่านมีภารกิจใจก็นึกว่ามันคงจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันศุกร์เมื่ออาทิตย์แล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้ท่านก็ไม่ได้มาช้านี้อาจารย์นัชัยก็เลยนิมนต์ในพุทธธรรมะนิดหนึ่งก็มาสัก สานาทีพราที่สอบถามเมื่อวานว่า่าเวลาพระเทพพระพูดเนี่ยยัดโยมในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าพุทธประศัตอยากฟังเรื่องอะไรส่วนหนึ่งก็อยากฟังเรื่องสติปัฏฐานสอีกส่วนหนึ่งก็อยากฟังเรื่องกรรมกรรม รู้ศาสนาในศาเรื่องกรรมก็เรื่องธรรมจะเป็นศาสนาที่ให้ลงมือกระทํา ม, มีการกระทําลงไปแต่ว่าการกระทํเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์มันจะได้ไม่เป็นกรรมกรรมมันกอไก่ธรรมมันทอทงมันเปลี่ยนแค่ตัวนี้แหละถ้ามีสติปฐาน มันก็จะทําเป็นธรรมชาติลงมือทําการคิดการพูดก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้ามันขาดสติหรือว่ามันมีสติแบบสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันก็ชวนให้เป็นกรรมดีกรรมชั่วไม่ดีก็ชั่วไม่ชั่วก็ดีตามสมมติบัญญัติแล้วแต่วิธีคิดวิธีพูดของกลุ่มแต่ละกลุ่มวิธีทำ ของตาละชนชาติหรือว่าความเชื่อต่างๆแล้วเรามาที่วัดป่าสุขโตเนี่ย<ม>เราก็จะเรียนรู้เรื่องการฝึกสติปัฏฐานกันมันเป็นสติ<ม>ที่จะพาพ้นทุก์มันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาพุทธสติปัฏฐานนะแนี้มันจะทำยังไงล่ะถึงใหยเกิดสติปัฏฐานก็ตามพระสูตรก็ว่าไว้นะองค์สมเร็จสา ม, มารถเจ้าก็พูดอยู่ เรมีความเชื่อแบบนี้หรือว่าพระหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศไทยที่ท่านสอนเรื่องการฝึกสติปัฏฐานท่านก็ได้พูดเอาไว้แม้กระทั่งที่นี่หลวงปู่เทียนท่านก็ได้ชี้นำว่าเออถ้าไม่รู้อะไระนะปฏิบัติธรรมนะ่ก็ขอให้จดจำไว้ก่อนเช่นให้รู้รูป ร, รู้นาม การเขียนไว้เป็นลายมือฝากเอาไว้เป็นมรดกเลยว่าปฏิวัติธรรมการเคลื่อนไหวสิจังหวะการเดินจงกรมถ้าไม่รู้อะไรจริงๆนะ่ยนะก็ขอให้รู้รูปรู้นามก่อนอันดับแรกเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจก็รู้อยู่สติก็ระลึกได้นีให้เห็นความรู้สึกตัววิญญาณธาตุกายยาวิญญาณทุกๆการสัมผัสทุกๆการกระทบแล้วก็จะมีมโนโวิญญาณ ก็คือตัวสติตัวจิตของเราเนี่ที่มันระลึกรู้อยู่อย่างถูกต้องรู้และรู้ถูกโดยเหตุที่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตใช้กายวาจาใจในะอย่างถูกต้องถูกต้องนะในทุกๆขณะแห่งวิวัฒนาการมันเป็นวิวัฒนาการมันไม่เจ็บไม่ใช่เป็นชิบหายหายนะ ถ้าชิพหายหายน้ำมันก็เสื่อมถ้าวิวัฒนาพัฒนาขึ้นไปจนทั้งเป็นระเบียบเป็นวินัยต่างๆเป็นธรรมะ่นมันมีอยู่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตสืบเนื่องต่อไปอีกวันข้างหน้าได้เป็นความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติต่อไปท่านก็จะเห็นการเคลื่อนไหวนะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแล้วเราก็จะได้เห็น จิตที่มันคิดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่านามรูปความคิดเป็นนามแต่เป็นรูปแล้วมันก็มีพลังมีพลังที่จะทําให้เราเนี่ยหลงเผลอไปแนวแมศของสุขของทุกหรือว่าเหตุผลต่างๆเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นนรกเป็นสวรรค์มันมีผลมันมีอานิสงส์เกิดขึ้นมาให้เราได้เหมือนกับว่า รับผลนะเรียกว่ารับกรรมนี่นะนะแต่พอเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นลน้วษณะของจิตสํานึกจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีพลังแล้วมันก็แสดงออกมาได้เฉพาะจิตใต้สํานึกเนยซึ่งมันมีล้วหนะของจริตนิสัยอุปนิสัยและก็สันดานแต่ละคนก็จะรู้จักตัวเองดีจากการปฏิบัติธรรมเมื่อกลับมาดูตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองเห็นอารมณ์สติเป็นนมธรรมที่จะเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นนมธรรมด้วยกันนะ เพราะนั้นให้เห็นสมมุติให้เห็นบัญญัติอารมณ์หลวงปู่เทียนนะเห็นสมมุติในโลกนี้มีสมมุติที่เกิดจากความคิดนํามากแล้วเกินเรื่องเรื่องเดียวกันแต่วิธีคิดนิม่ามากมายแล้วเกินคิดในฝ่ายดีมีมากมายแล้วเกินเรียก ว, ว่าปลุกเลาคุณธรรมมองแต่งแงด่ดีคิดในฝ่ายที่ไม่ดีมองโลกในแง่ร้า ย, ายอย่างนั้นะมองแยกแยะหาคุณค่าแท้หาคุณค่าเทียมต่างๆ คิดแบบปัจจุบันขณะคิดแบบสามัญลักษณะคิดแบบนะสืบสาวหาเหตุคิดแบบระดมสมองกันแล้วก็พวกมากลากไปเรียกว่าพิชาวาดพัชวาดพวกนี้มันเป็นเรื่องของความคิดคราวนี้เรากลับมาหาความรู้สึกตัวเหนือความคิดเหนือเหตุเหนือผลเหนือถูกเหนือผิดเหนือดีเหนือชัว่วตัวนั้นมันจะเห็นเป็นปรมัตารยสภาวะเห็นแล้วก็สักวายเห็นได้ยินแล้วสักวายยิน มันเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเคลื่อนมือแต่ละขณะนมันฝึกเรามันฝึกตัวสติตัวปัญญานให้เห็นกายสาวักายไม่ใช่สัต์ตัวตนบุคคลเราเขามันเห็น อ, อาการต่างๆอย่างเมื่อวานาที่ปฏิบัติกันบอกปวดเนื้อเมื่อยตัวเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บแข้งเมื่อยขาเมื่อยแข้งตัวน้มันก็เป็นอาการของทุกขเวทนา ที่เรามีธาตุขันอยู่มีร่างกายมีรูปธรรมเนะี่ยเจริญก็มีอาการสัญญาณภัยมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกันที่จะดูแลตัวเองนงั่งนานก็นไม่ได้นอนนานก็นไม่ได้ขนาดนอนเนะี่ยบอกเป็นท่าที่สบายที่สุดมันก็ยังนอนไม่ได้นอนได้ไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็พลิกไปพลิกมาหูวแข็งเหยียดขาเอามือสนะัลพัทนี่ยมันหาที่วางไม่อยู่หาที่วางไม่ได้ ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนมันถึงจะพอดีมันก็มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติแก้ไขบรรเทาผ่อนคลายให้เราปวดปัสสาวะเดี๋ยวก็หายน้ำเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็อุจจาระออกเขา้เขาๆออกออกเก่งๆคายๆตึงๆหย่อนๆอยู่ด้นวนะเราก็เลยได้เห็นอ้อนี่คือธรรมชาติของร่างกายเราก่อนปฏิบัติเราเห็นเป็นความทุกข์บังก็โอยลุกก็โอย แต่ตอนหลังเราเห็นอาการเหล่านี้เป็นเวทนาแล้วก็เห็นเวทนาในเวทนาจิตปกติไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาก็มีสติเห็นอาการของกายนี่เองกายเป็นสุขกายเป็นทุกข์เป็นอาการของสติปัฏฐานที่มันกําลังเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ได้คําตอบซะด้วยแต่เห็นถูกนะมันจะเห็นจิตของเรามันมีอาการอยู่ก็คือคิดเก่งทวารของจิตคือมันคิดอย่างเดียวเลย นว่าใยอย่างเดียวเลยตาดูก็คิดต่อหูฟังก็คิดต่อปรุงแต่งต่อด้วยคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกพอใจไม่พอใจจุดนี้แหละองค์สมเด็จสมัมมาจุตก็เลยบอกว่าให้เห็นกายในหมวดของ ส, สมัญญปะปัพะให้เห็นกายแล้วก็ไม่มีความพอใจหรือว่าไม่พอใจเข้าไปอยู่กับกา ย, ยอาการต่างๆที่กําลังปรากฏรู้มันเฉย รับรู้รับทราบเฉยๆสอกแต่ว่าสอกแต่ ว, ตว่ามันก็จะไม่มีลักษณะของโลกนี้อยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราคือโลกไงมันคือโลกมันมีลักษณะธาตุสมันก็โลกใบนี้เหมือนกันปริมาณสัดส่วนเนี่เหมือนกันเป๊ะเลยตอนนี้พอเราเห็นว่ามันคือโลกก็คือมันมีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งธาตุขัน ถ้าพอดีมันก็ปกติถ้ามันไม่พอดีมันก็ไม่ปกติก็ต้องมีปัญญาเกี่ยวข้องกับเขาปวดปะสะวัสสาวะก็ต้องไปเข้าห้องน้ําชิ้น้ําก็หายน้ําก็ต้องเอามาดื่มชิ้วข้าวก็ต้องเอามาดื่มอย่างเงี้ยเอามากินกันทเรียกว่าดื่มก็เรียกว่าฉันนีคือการเคี้ยวอย่างแหลกแหลวแล้วก็ดื่มลงไปดื่มอาหารลงไป ให้มันซึมลงไปในช่องปากของเราที่กระพุ้งแก้มที่ลิ้นให้สารอาหารมันซึมทันทีอันนี้นจะก่อประโยชน์สูงสดเขาเรียกว่าฉันเดินก็เดินอย่างมีสติเขาเรียกว่าเดินจงกรมนอนเมื่อคืนอย่างมีสติเขาเรียกว่าจำวัดอาบน้ําอย่างมีสติเขาก็เรียกว่าส่งน้ํามันก็เลยกลายเป็นทั้งในรูปแบบสติจังหวัดแล้วก็ น, นอกรูปแบบการใช้ชีวิตทางต่เตือนยันหลับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติไปเลย เห็นทำลงมือทำเป็นธรรมชาติไม่เป็นกรรมมันจะเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ด้วยก็เกี่ยวข้องตามเหตุตามปัจจัยทำงานทั้งวันแล้วไม่ต้องทุกข์ใจอย่างนี้มันมีอยู่ทําดีทั้งวันไม่ต้องทุกข์ใจอย่างนี้มันมีอยู่บางทีก็ใช่ล้วนะของเมตตาเมตตาเขาเรียกว่าพรมมันก็เป็นลนัาณะของกฎของธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันกับสรรพสัตว์สรรพสิ่งแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเมตตาเนี่ย คุณธรรมคำว่าเมตตานะมันคือวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำที่มีทั้งพระเดชและพระคุณเมตตานะ่ยมีพระเดช ด, ด้วยพระคุณด้วยเป็นคุณเป็นโทษด้วยว่าผ่านา้ําท่วมคนตายนะทั้งนั้นไฟไหม้หรือว่าธรณีสูบแผ่นดินถลม่มไม่ใช่หมดก็คือพระเดชและพระคุณพระเดชก็หมายถึงว่าใครที่โนะคดโกง ต่อธรรมชาติหรือว่าทำลายล้างต่อธรรมชาติทําลายล้างธรรมชาติก็เอาคื น, น, นเมื่อโดนกระทํามันก็เอาคืนมันเป็นการปรับเปลี่ยนสู่สมดุลเหมือนกับในโลกนี้มนุษย์ผลิตคาร์บอนไดาออกไซด์ในเยอะมากจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการเผาไหม้เกิด คาร์บอนมันตกใจนะไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกต้ายสุดมันก็เกิดลักษณะของเอนรยรวันิยาเกิดกระบวนการต่างๆของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมนุษย์ก็เดือดร้อนแอตติกน้ำแข็งก็ละลายนีนะเสร็จแล้วความเย็นก็ไปไปมามาล่องลอยอยู่ใน่วงของบรรยากาศชั้นของบรรยากาศบอทว่าจะลงตรงไหนก็ลงตรงนั้นเลย เสล้มนุษย์ก็เดือดร้อนก็ตื่นตัวกันประเทศมหาอำนาจก็ออกกฎมาว่าประเทศในโลกเนี้ยประเทศใดก็ตามที่ผลิตคาร์บอมนมันกไซไอออกมามากคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากก็ต้องเอาเงินแห่กองทุนของโลกเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันประเทศที่ไม่รู้อิริงอินเนประเทศยากจนประเทศกําลังพัฒนาก็จะได้มีเงินทุนเงนนี้ยไปสํารองใจ่ายให้เงี้ยนะ ประเทศไทยก็คิดว่าเจ้ากองทุนนี้แทนที่จะให้กองทุนโลกก็คืนให้กับประชาชนโดยการทำกรีนกรีนก็คือให้หลังคาเนี่ยตามโรงงานต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีพื้นที่กว้างๆทำแผงโซล่าเซลล์นะโดยจับเอาสัก40บบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ตากร่แแกันไปยื่นเสนอชื่อประมาณ400บริษัทตัวประเทศไทยเพื่อที่จะทำไฟฟ้าขายคืนรัฐบาลสูงสุดก็ได้ 1-2 เมกะวัตต์อย่างงี้นะขายคืนปีละ9ล้านบาทก็จะให้ใครจับได้2เมกะวัตต์ก็ได้ไป 9-28 9 8ล้านบาทเงี้ยเป็นต้นก็ยามแก้ไขปัญหากันต่อไป ยิ่งแก้ไขปัญหาก็กลายเป็นเรื่องของปัญหาที่มันซ่อนลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปนี่แหละนะเพราะว่าธรรมชาติมันทําลายล้างเรามันก็แก้ปัญหามันก็กระทบกระแทกกระเทือนกันไปยิ่งขึ้นไปเป็นลูกโซ่จนทังบางทีก็หมดหนทางเหมือนกันแต่มนุษย์ก็ไม่ย่อท้อก็ยานที่จะแก้ไขถ้าน้ําท่วมก็ยานทําเขื่อนกั้นกันไว้บางประเทศเนี่ยทำเขื่อนล้อมเลยแผ่นดินก็ทุดลงทุดลงทุดลงนี่แหละนะน้ำมันก็ท่วม เนื่องจากอากาศมาันแปรปรวนปรับสมดุลนี่ก็คือกฎของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างเงี้ยนับล้านล้านปีก็เป็นอย่างนี้อยู่โลกนี้เชื่อว่าเชื่อกันว่านะั่นนวิทยาศาสตร์เกิดจากการพุ่งชนของอุกาบาทลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่ลลจาจนทั้งเกิดลักษณะของแกนโลกขึ้นมาเกิดลักษณะของโลกทังใบขึ้นมามีความสมบูรณ์เกิดมนุษยชาติขึ้นมาอย่างเงี้เป็นต้น เพราะนั้นการทำลายล้างก็สร้างเราและเราก็ไปทำลายล้าง ก, ก็ผัดกันลุกผัดกันรับอยู่นั่นอันนี้คือกฎของธรรมชาติเป็นกฎของการทำดีทำชั่วแล้วก็ทำดีโดยเป็นพระเดชทำดีโดยเป็นพระคุณมันจะได้เห็นและในตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางทีเ น, นเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายภูมิต้านทานก็ทำงานเก่งเกินจนทั้งเราเสียชีวิตก็ได้ ก็เลยได้เห็นโอ้ไอตัวที่ดีเนี่ยบางทีก็คือตัวทําลายล้างดีๆนี่เองแล้วก็มีพลังซะด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นสมมติเห็นบัญญัตินะเห็นชัดๆเลยกดที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำของเราเนี่ยเราได้เห็นความรู้สึกตัวมันเป็นตัวปรับตลอดคืนสูส่สภาวะปกติแท้จิตใจเราไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราก็ได้เห็นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็คือกฎของธรรมชาติทิ่มทาลายล้างเหมือนกัน ได้เห็นการเจ็บการปวดการเมื่อยโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจตัวนี้สาคัญมันจะคิดมากจริงๆเลยบางทีก็คิดไปอดีตบางทีมันก็คิดไปในอนาคตบางทีมันก็คิดวิพาทวิจารบางทีมันก็คิดมากมายเหลือเกินเป็นเรื่องของวิตกวิจารณ์อันนี้ก็ใช่เหมือนกันมันกลับมาดูสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแล้วก็หาชื่อใส่ลงไปเอ๊ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะ เอออารมณ์อย่างนี้คืออารมณ์อะไรนะมันจะมีความคิดเกิดขึ้นมาทำให้เราได้เห็นออกทุกตัวทํามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบสัมผัสมันก็คือตัวหลงทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้ตรงนี้ได้ประโยชน์จากมันเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์เบื้องต้นเลยบางทีเราจะได้เห็นนะความคิดของเราเนี่ย มันเป็นความคิดที่มันยึดมันยึดงานมันยึดลูกยึดหมฆะเนะ่มันยึดคนรอบๆตัวมันยึดวิธีคิดมันยึดวิธีทํามันยึดวิธีพูดอะมันมีอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลมาล่องเดิมนั่นนะเราพยายามที่จะปรับมาล่องความรู้สึกตัวมันก็ไหลไปล่องเก่านั่นนะบางทีเป็นล่องของความเบื่อบางทีเป็นล่องความง่วงบางทีมี็ล่องของอารมณ์ต่างๆ อดีตเคยมีจริตนิสัยยังไงก็พัดตกลงไปเป็นประจำเลยเราก็แก้ไขกลับคืนมาที่ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวถึงมันจะคิดไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติชีวิตของเรามันก็คิดดีคิดไม่ดีเป็นประจำเราปรับมาที่การเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะถ้าเดินเมื่อยแล้วก็นั่งลงแล้วก็สร้างจังหวะถ้นั่งยกมือสร้างจังหวะมันเมื่อยแล้วก็ ลุกขึ้นเดินอย่างมีสติแล้วก็เดินจงกรมการวางไม้วางมือวางหน้าวางตาตัวนี้สําคัญพรมจะเป็นการปรับเนื้อปรับตัวแล้วเกิดการปล่อยวางเบื้องต้นเลยก่อนที่จะวางทุกวางความโลภความโกรธความหลงความรักความชังก่อนที่จะวางความคิดเนี่ยวางหน้าวางตาหน้าตาก็ต้องผ่อนคลายทําไปพอเริ่มเครียดเคียดหน้าย่นย่นมีการเจ็บ หัวหรือว่าปวดหัวเนื่องจากบางทีฤทธิ์ของกาแฟอย่างเมื่อวานนะเพื่อนของเราปวดหัวเพราะว่าไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วก็มาขอว่าขอดื่มกาแฟได้ไหมก็บอกว่าเอออย่าดื่มเลยเราลดละเลิกดีกว่าเห็นอาการปวดนะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อนก็ทนไม่ไหวก็ไปกินยาพาราเซตามอลอย่างเงี้ยไม่ได้กินกาแฟแต่กินยาพาราแทน อันเนี้ยมันก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งนั้นนะ่ยนะถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปสนใจไปหรอกกลับมาหาตัวเคลื่อนไหวรู้สึกกันแล้วกันหักดิบเรียกว่าหักดิบมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีใหม่ๆเหมือนก็จะทนไม่ได้เราไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยทํางานหนักไม่เคยจับจอบจับเสียมไม่เคยก้มลงแล้วก็ดํานาอย่างเงี้ยเมื่อเราไปทําวันแรกมกันก็โอ้โหปวดเมื่อย ทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นแหละวันลงขึ้นถ้าเราไม่ไปก็ปวดถ้าเราไปก็ปวดแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยมันจะเกิดความเข้มแข็งขึ้นไปถ้าเราไปออกกําลังกายวันที่สองมันปวดแต่ว่าพอวิ่งไปวิ่งไปมันก็หายปวดทํางานไปทํางานไปก็เหมือนกันมันก็หายปวดหายเมื่อยพอได้ทํางานได้เห็นงานได้เห็นผลงานเหงื่อซึมขึ้นไปเกิดอาการปรับเนื้อปรับตัวขึ้น ม, มันก็เออ ทำงานอย่างมีความสุขออกกาลังกายอย่างมีความสุขชั้นใดก็ดีปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับจะเป็นเช่นนั้นพอเดินไปเดินไปเดินไปมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามีปีติขึ้นมันหายปวดเปปิดทิ้งเลยอันนี้เรียกว่าบุญนะนะหลังจากที่ต้องฝืนอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งต้องทนสักระยะไม่ต้องทนแล้วพอมีอารมณ์ก็มาร่วมอารมณ์ปฏิบัติเข้ามาเท่านั้นน่ะมันจะเบาเนื้อเบาตัวหายปวดหายเมืเอ่อยปิดทิ้งเลยในร่างกายของเราเนะี่ยมันมีสารสุขอยู่ ถ้าเครียดนจะมีอะดีนาลีนหลังสารอะดีนลีนมันหลังเป็นสารเครียดถ้ามันเบื่อมันเศร้าประเดี๋ยวคอติซอลก็หลังมันมีสารอยู่ถ้าเรามีความสุขเอเดฟินมันก็หลังมันก็ช่วยเราอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องอยู่มันเป็นสารทางวิทยาศาสตร์เลยในร่างกายของเราผลิตอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ต้องการแอลกอฮอล์เข้ามาเสริม ต้องการนิโคตินเข้ามาเสริมจาก บ, บุหรี่ต้องการคาเฟอีนเข้ามาเสริมมันณท้ายสุดแล้วก็ตกเป็นทาสมันตลอดเวลาเวลาเลยสิ่งเหล่าเนี้มันก็จึงต้องมีระเบียบมีวินัยนิดมีกรอบมีกติกามีขอบมีเขตมีข้อกําหนดแล้วเราก็ทําลงไปด้วยจริงใจกับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ลองพิสูจน์ดูะยะโดยที่เรายังไม่ต้องเชื่อว่าทําอย่างนี้มันจะเกิดอะไรทําอย่างนี้มันจะเกิดอะไร แล้วให้เวลาตัวเองสักหน่อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีความเป็นตัวเลข อ, อสมเด็จสำมาลยเจ้าได้กําหนดไว้ชัดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ทําให้ถูกต้องนะแล้วก็ต่อเนื่องสักเจ็ดวันถ้าจะกําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราทำํำสักเจ็ดวันจดจ้องหรือว่ากําหนดอยู่กับลมหายใจนี่แหละสักเจ็ดวันโดยที่จะเกิดอะไรขึ้นไหมรือว่าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัว แบบแนวหลวงปู่เทียนเนี่ยจริงๆก็คือแนวองค์ขององสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงแค่ว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยท่านประยุกติวิธีการฝึกสติเจริญสตินะแนวเคลื่อนไหวนะประยุกติเราเคยยกมือทําดียกมือทําชั่วไหมเคยเดินไปเนี่ยเดินทําดีเดินทําชั่วเดินด้วยความพอใจเดินด้วยความไม่พอใจอารมณ์ผลักทำอารมณ์พาธรรมตอนนี้ลองให้สติมันกําหนดแล้วก็พาทำหน่อยสิ จำลองซักซ้อมมันจนกระทั่งมันเกิดความเป็นอัตโนมัติขึ้นมาการเคลื่อนไหวปับรู้สึกตัวทันทีตรงนี้มันก็จึงมีการฝึกการหัดแลว้วก็ให้ออกมาจากความคิดให้เป็นการสัมผัสรู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องคิดรู้ว่าถ้าเราคิดรู้ทำมะก็ลองคิดดูว่ารวยเสียมเป็นยังไงฉันรวยแต่ฉันไม่มีตังค์ลองคิดว่าฉันหิวข้าวแล้วฉันกินข้าวอยู่คิดเอามันจะอิ่มไหม กับการลงมือตักลงไปจริงๆใส่ปากเคี้ยวเกินจริงๆมันอิ่มไหมสัมผัสลงไปตรงเนี้ยนะสัมผัสลงไปความรักมันคืออย่างนี้คือความอบอุ่นอย่างนี้คือความปลอดภัยอย่างนี้มันไม่ใช่คําพูดว่ารักนะรักน่ารักนะกนะถ้ารักก็มีการให้ลงไปเลยให้ชีวิตทุกแล้วทุกด้วยอย่างเงี้ยตายแทนกันได้เงี้ยเรียกว่ามิตรแท้เพื่อนตายมีการแสดงออกลงไปเมื่อเอ่ยปากขอให้มากกว่าที่ขออย่างเงี้ยเออทาลงไปเออแสดงว่าเขา เป็นดูเราปรารถนาดีต่อเรามีความรักเราอันนี้เรียกว่ามิตรแท้เพื่อนตายง่ายเป็นตัวเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหาย่ายเราก็สัมผัสลงไปจริงๆเราดูมันก็รู้แล้วอย่างนี้นะเป็นบุญเราก็ได้เห็นแล้วอ๋อลองรอยอย่างนี้คือบุญอิ่มใจมีความสุขขนลุกขนพองมีปิติมีความสงบอ๋ออันนี้เป็นทนที่เรียกว่าบุญอ๋ออันนี้คิดดีคิดดีแล้วมีปิติขึ้นไหม ยกมือบางทีมไปสัมผัสการการว่าไหวเย็นๆทั่วเนื้อทั่วตัวอะ่ะมีปิติขึ้นมาบางทีนั่งเบาเนื้อเบาตัวฟุบขึ้นมาเลยตัวลอยขึ้นมาเลยเงี้ยอะปิติเกิดขึ้นมาบางทีก็มีความสงบปัฏฐิเกิดขึ้นมาพอเรามีความรู้สึกตัวจิตใจก็ปลาโมดศรัทธาก็เกิดอย่างเงี้ยนะเมื่อศรัทธาเกิดเกิดความปลาโมดขึ้นมาก็เกิดปิติขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ฝ่ายขยัน แต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าให้ความขยันพาทำจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนไม่กินมันก็ไม่ถูกก็ต้องมีปัญญารู้ว่านี่คือปิติอ่านมันอย่างงี้ย น, นะรู้ว่ารู้ว่าเอตอนนี้เจ็บปวดเมื่อยอารมณ์ไม่ดีเลยรู้สึกเครียดเราก็เห็นมันอีกปิติก็เห็นมันสุขก็เห็นมันหรือว่าความเบื่อเกิดขึ้นมาก็เห็นมันความทุกข์เกิดขมันก็เห็นมันมันก็ผ่านตลอดอย่างเงี้ย น, นะมันเข้าสู่แล้วนะของทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา เะนั้นนักบวชเมื่อกลับมาดูตัวเองไว้ได้เห็นจเจริญสติสติเมื่อจะจะเจริญเมื่อเราลงมือกระทํามันก็เข้าถึงธรรมได้ทุกๆขณะเลยนะเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่ต้องรอว่าเอออาทิตย์หน้าเดือนหน้าขนาดนี้เลยที่เรารู้สึกตัวมันจะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวซึ่งเป็นปกติธรรมเป็นหลักของธรรมชาติที่พึ่งได้ด้วยพอไปกับความคิดไปกับอารมณ์กลับมาสัมพัสสัมผัสรู้สึกมันหลุดทันที มันหลุดทันทีพ้นทันทีวิมุตต์มันก็เกิดทันทีไงพระศาสนาสอนถึงเรื่องวิมุตต์วิมุตต์มันคือแก่นแก่นของการที่เราจะเดินทางสู่การพ้นทุกข์มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแต่เอียงซ้ายมันไปนรกเนี่ยเอียงขวามันไปสวรรค์อย่างนั้นไงมันมีสุขมีทุกข์คอยอยู่แต่ว่าเรากลางกลางรู้เนื้อรู้ตัวจิตปกติเนี่มันเป็นลักษณะของมรรคผลเดินทางสู่ วิมุตตุดพ้นออกมาจากความคิดออกมาจากอารมณ์ที่มันเคยครอบงำหรือใช้คำว่าออกมาอยู่เหนือรูปธรรมนามธรรมสติรู้รูปสติรู้นามสติรู้สติอันนี้แหละมันจะเป็นสติเต็มรอบเลยสติจะเห็นตัวเองจิตที่ปกติจิตที่มันรู้อยู่มันก็จะไม่หลง มันจะเป็นอุเบกขาทำรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ที่กายรู้ที่ใจรู้รูปรู้นามแล้วก็รู้ภายนอกและรู้ภายในตากระทบปับมันรู้ภายนอกทันทีรู้แล้วไม่ปรุงมันเห็นเป็นปรมตถะสภาวะทันทีก็เหมือนก็วัยเห็นศัพท์ว่าเห็นนั่นเองมันก็เราเปิดตามองอยู่ตอนเนี้เราก็เห็นโคมไฟเห็นหลอดไฟเห็นหลังคาเห็นพื้นเห็นต้นเสาเห็นพัดลมเห็นที่นั่งเห็นคนมันก็คือวัตถุ อันเดียวกันเมื่อเราผ่านไปแล้วมันจดจําได้เช่นร่องรอยประทับใจไม่ประทับใจอย่างเงี้ยบุญบาปคนอื่นทํากับเราเมึงทํากับกูอย่างเงี้ยนะรัว ก, กูเคยทํากับเมึงอย่างเงี้ยเป็นกูกูเมืองเมืองเขาเขาเราเราอยูนะ่เสร็จแล้วมันก็ประทับลงไปในใจของเรารอยรักรอยแค้นรอยสุขรอยทุกข์รอยได้รอยเสียเหตุผลต่างๆเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นไหมมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเกิดเดี๋ยวในขณะปฏิบัติ มัคิดถึงหน้าคนรักคนชังและอารมณ์มันก็ปรากฏได้ใหม่เพราะนั้นความคิดมันก็คือวัตถุเหมือนกันแต่เป็นวัตถุที่เกิดภายในจิตใจของเราอ่ะอันเนี้เราไม่เคยเห็นเพราะว่าพ่อก็ไม่บอกแม่ก็ไม่บอกครูก็ไม่เคยสอนสอนให้คิดเข้าไปคิดเข้าไปแต่ไม่สอนว่าหยุดคิดทําอย่างไระมาที่นี่วัาตาสุกโตเราได้ยินแล้วว่าเอ การที่เรากลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกลับมาหาตัวธรรมชาติเดิมๆของกายของใจเราเนั้นสัมผัสแรกมันเป็นสัมผัสที่เป็นความรู้สึกเป็นสติปัฏฐานและมันาผาพลุกทุกออกมาจากความคิดโดยเฉพาะออกมาจากอดีตแล้วก็ไม่ไปในอนาคตแล้วก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเป็นวิพาวิจารณ์มันจะเป็นสัมผัสรู้รตัดทันทีตรงนั้นแหละมันก็คือตัดกรรมนั่นเองนะเพราะนัะ้นมันจึงมีประโยคหนึ่งเป็นคําบาลีว่า ตาเมโศปุเพกตาเหตุสุขทุกข์ขังนิคัตชิติโบราณกลางกระตังปา ป, ปังตาเมมรเจอีดังขณะนี้นะขณะนี้นะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทํากรรมฐานนีไม่ว่ามันจะเกิดสุขเกิดขึ้นมานั่งคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงความดีของคนนั้นคนนี้คนนู้นความดีของตัวเองมาเกิดความสุขขึ้นมาหรือว่าเกิดความทุกข์เนื่องจากคิดถึงอดีต คิดถึงลักษณะของทําบาปมาทําไม่ดีมาเดือถูกกระทํามาขณะ น, นี้เนื่องจากเหตุที่เคยทําบุญทําบาปมาในการเก่าโบราณกระตังปาปังมเมมนี่ยตาเมมุตเจีนังก็เชื่อว่าหรือว่าชื่อว่าขณะเนี้ยเรากําลังใช้หนี้ชะนี้ประดุดว่าเรากําลังใช้หนี้กรรมชะนี้เมื่อคิดมากลับมารู้สึกตัวมันตัด ท, ทันทีก็ใช้หนี้แหละ มาก่อนเคยไปปรุงแต่งเอาอดีตดมาสุขได้ใหม่ลวงเอาสร้างความสุขเก่าๆมาเสร็สร้างความสุขมันตายไปแล้วนะแต่ว่ามันคิดขึ้นมามันชงเรื่องขึ้นมาให้เราได้เสพมามื่อก่อนนะนะชั้นรู้ไหมมีความภาคภูมิใจมากเคยมีความสําเร็จมาอะไรจริงๆเป็นสร้างความสุขที่ตายไปแล้วเน่าๆนะความสุขเน่าๆแต่ความสุขที่ปัจจุบันเป็นปกติสุขเราไม่ได้สัมผัสเลยะเราก็จึงได้เห็นว่าอ๋อมันมีร่องรอยแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แนวคาสอนก็จึงตรงไปตรงมาให้เรากลับมาหาตัวเองกลับมาหานิพพานกลับมาหาตัวสติปัฏฐานมันจะเกิดบิมุตดหลุดพ้นขึ้นมามันจะเกิดความเบื่อหน่ายายจางในสุขในทุกข์ในอดีต ท, ที่เราเคยคิดเคยพูดเคยทาอะไรมาม า, มากมายเหลือเกินมันจะเกิดอาการเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ราคาเมื่อเราไม่ให้ราคาไม่มีคุณค่าเป็นบวกเป็นลบ มันจะเห็นเฉยๆเรื่อราวนี้เห็นแล้วก็พ้นทุกข์เห็นแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาต่างจากภาวะเก่าๆเคยสุขเคยทุกข์กายเป็นอยู่เนะหนือสุขนืทุกข์ตรงนี้มันมีอยู่มันก็จะเดินสางทางสู่ความเป็นปกติสู่มรรคสู่ผลสู่มรรคสู่ผลสู่มรรคสู่ผลต่อไปอันดับแรกก็คือมันจะเห็นลักษณะของความโลภความโกรธความหลงเนีชัดเจนแล้วเกิดเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมา เป็นความรู้สึกที่ละเอียดเราก็อ๋อเห็นแล้วความรู้สึกที่ละเอียดว่า น, นั้นก็คือสติมันรู้อยู่สติมันเป็นตาในที่มันดูอยู่เห็นอยู่แล้ะที่สำัญก็คือมันจะเห็นเหมือนที่พระหลวงพ่อครูอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อมเขียนท่านบอกไว้ก็คือเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นกับอะไรกับอะไรแต่ถ้าจะเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องด้วยธรรมะกับวินยัยวินัยคืออะไรก็ตั้งแต่กติกาที่เราตกลงร่วมกันสองคนขึ้นไป หรือตัวเองตกลงกับตัวเองกติกาเนะี่ยคืออะไรในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ถึงจะอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับคนอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งของได้มันก็จะรู้นะการใช้ระเบียบใช้วิไนใช้ของจะใช่ยังไงเก็บทันทีอย่างเช่นเก้าอี้นะพระวิไนบอกว่าอย่าปล่อยตากฝนนะถ้าใครไปตากฝนก็แสดงว่าอาบัตแล้วอย่างงี้ใช้แล้วให้เก็บทันทีก็เรียว่าเก็บก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานะอันนี้วิไย จนกระทังเป็นศีลสองยิบเจข้อถ้าเป็นผู้หญิงบวชก็เป็นสามร้อยสิบเอ็ดข้อคานะรวะญาติโยมในมาวัดเนี่ยอย่างพระจงนะหรือว่าชาวบ้านมาจําศีลก็ศีลแปดอย่างเงี้ยเมื่อออกไปก็เดี๋ยวศีลห้าเงี้ยนะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะใช้ศีลเอาสมมติที่มาวัดเนี่ยวางเอาไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวกลับไปก็ได้ศีลห้าอเงี้ยนะเป็นตน้นอันนี้คือลักษณะของวินัยแล้วมันก็มีธรรมะคือธรรมชาติด้วยธรรมะคือธรรมชาติก็คือ การทำการคิดการพูดแล้วไม่เป็นกรรมทั้งหลายเป็นความบริสุทธิ์ของจิตเกิดจากจิตของเราที่มันเป็นจิตเดิมมแท้ๆแล้วก็มีสติมีปัญญาไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นมันอยู่เหนือเจตนาจริงๆอันนี้มันก็ถึงใช้ชีวิตนั่งเดินยืนนอนอย่างบริสุทธิ์พุทธพงศ์นะจนท่านเขามีคำพูดเลยนะว่า ใครก็ตามในโลกใบนี้ใครก็ตามนะรั้วชุมชนนี้ก็ตามถ้าหากว่าถูกสมมติไว้ว่าเป็นพระรหันต์ก็สมมติไว้เลยนะคนเนี้ยสมมติว่าเขาบีธรรมะทาอะไรไม่ผิดเลยหรือว่าเขาไม่มีธรรมะนะแต่ว่าเขาขาดสติจริงๆถึงขั้นวิปลาสเลยนะถึงทําก็ไม่อาบัตยเพราะว่ามันบ้ามีอยู่แค่นั้นเองคนคนบ้าทําอะไรก็ไม่ผิด แม้ทังกฎหมายก็ยอมมาเออคนบ้าทําอะไรไม่ผิดเอาไปรักษาก่อนจนกว่าจะหายบ้านะแล้วใครว่ากันไปมีโทษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นก็สมมุติกันขนาดนั้นแหละอันนี้นเรียกว่าแล้วหนะของสมมุติบัญญัติแล้วก็ใช้วินัยเพราะฉะนั้นเราก็มีธรรมะก็คือทําอะไรไปก็ไม่ต้องทุกข์ที่เรียกว่าทําอะไรไปไม่ต้องทุกข์ก็คือจิตมันเป็นความบริสุทธินะ์และประเพฤติปรมจริย์แต่ว่าพระอรหันต์ก็ต้องอยู่ในกรอบ พอเพื่อนก็ยังเหมือนกับว่ามีคําพูดต่างๆนานามีเหตุผลต่างๆนานาอย่างนั้นไหมเราก็ได้เห็นแม้กระทั่งโอสมเด็จสัมมาวุเจ้านะมันก็จะมีลักษณะของคําพูดต่างๆนานาเช่นนางจินจามานวิกาเคยได้ยินไหมหรือนางมาคันทิยานางมาคันทิยาในช่วงจาามากเลยนะจ่วงจาาพระเจ้าในตําราก็ว่านะ ก็คือเป็นสาวที่สวยมากพรามยกให้กับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าแม้แต่ยาวเท้าของเราไปแตะไปโดนเนะี่ยเราก็ยังไม่ทำอย่างนั้นเลยปรากฏว่าพ่อในบรรลุเป็นพรริยสงฆ์พระยบุคคลขออภัยนะพระยะบุคคลแต่ว่านางมายิการนะ่ประโยคคำเดียวของพระเจ้านะกับกลายเป็นโกรธอย่างมากแล้วก็จ้างคนมาด่า ไปบ้านไหนเมืองไหนก็จ้างคนมาด่าตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่องค์สมเด็จตั้มมัเจ้าก็ไม่ได้ทุกหรือว่าองคุลิมานน่ยนะหลังจากที่บรรลุปเป็นพระราหันนะฆ่าคนมาเยอะพรันญาติเขาเอาเขินเอาไม้มาปาบ้งเอามาตีมัง่งเอาฝุ่นมาเลยตัวทาตัวมัง่งทําร้ายแต่องคุลิมานถึงจะเลือดโชคจิตเป็นปกติก็คือจิตของเขาบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นเป็นต้นนั้นก็คือทุกคนต้องรักษาใจของใครของเราเอง จากผลของการปฏิบัติในโลกนี้ก็จะมีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสริมยอมีสุข ม, ม, ม, มีทุกข์แต่ว่าใจมันจะปกติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ห้ามใครจะทําอะไรก็ทําจะคิดจะพูดจะทําแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์แล้วก็รู้ว่าเขาคือใครอย่างนี้นเราก็จะได้เกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปด้วยปัญญ า, านี้เป็นต้นอ่าอันนี้ก็พูดให้ฟังก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะพระจงวันนี้ก็ จะได้กลับบ้านกลับช่องกันแล้วเรวก็ลาศีนกันก็ให้ประจงได้พูด